พญานาคในถ้ําเชียงดาวหลวงปู่ มีพญานาคเฝ้าอยู่ภายขนองกายเหมือนเด็กๆแผ่นเวลา เขาก็จะกล่าวโทษว่าก็จะกล่าวโทษว่า พระพระเช่นทําเดินเสียงดังกระแอมเธอก็เฉยเดินเพราะมีจริตเหมือนกันอย่างไรก็ตามทําก้อนหิน เมื่ออากาศภายนอกแทบเข้าไม่ได้เลยเข้าไปอยู่ข้างใน พอยังอาลัยอัตภาพปัจจุบันของตน 1 วัน 3 วัน ต่างถูกพญานาคตําหนิกล่าวโทษ